ดาท่านไธรรมิกะทัท้งหลายสำนับวันนี้เรื่องบุคคลตัวอย่างก่อนหน้าจเจริญพระกรรมฐ า, านก็ยขอนำมาเรื่องของชาวพิสุชาวเมืองโกสัมพีที่สร้างความแตกราวซึ่งกันและกันแม้แต่องค์สมเ ด, ด็จตัสมาสมุทยเจ้าทรงห้ามปรามก็ไม่เชื่อฟัง ในความจริงเราฟังกันเรื่องพระดีมานานแล้ววันนี้ก็ขอยนุนานำเอาเรื่องราวของพระชั่วมาให้นาบ้างไม้ฟังบ้างแล้วก็จะได้รู้ทิ้งเจตนาขบรดาประชาชนทั้งหลายที่เป็นพระอริยเจ้าท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับพระประเภทนั้นขบันดาท่านทั้งหลายจะได้ศึกษาเพื่อการเว้น คือเว้นจากความชั่วแล้วก็ประพื่ความดีจงเอาจงอยาวเอาตัวอย่างที่สุโกสัมพีเป็นสำคัญความตามพระบาลีมีว่าว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับยับยาวสําราญอธิยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ในคราวนั้นองสมเด็จพระวิชิตธรมานทรงป ร, ระรับพิสุชาเมืองโกสัมพีเรื่องในตรัระธรรมเทศนานีว่าเปรยจนะวิชานันติเป็ตนต้นความพิสุดานมีอยู่ว่าพิสุสองรูปคือพระวินัยทรห น, นึ่งและพระธรรมกฤติหนึ่ง คำว่าพระวินัยทรนี่หมายความว่าอาจารย์ผู้สอนพระวินัยหรือว่าเป็นผู้ทรงพระวินัยมีความรู้ในด้านพระวินัยดีสำหรับพระธรรมกะเถกก็คือพระนักเทศในในหน่ยงที่เราเรียกกว่าธรรมทรต่างองค์ต่างก็มีบริวารกันอรกห้าร้อยรูปอยู่ที่โคสิตารามใกล้เมืองโกสัมพี ในวันหนึ่งพี่สู่ทั้งสองรูปนั้นสันหรับพระธรรมกฐิถไปฐานไปฐานก็คือไปส่วม <c oughs> สมัยก่อนส่วมของพระเขาริกฐานไปฐานแล้วเว้นน้ำชำระไว้เหลือไว้ในภาชนะหมายความว่าเวลาที่ถ่ายอุจาระแล้วก็น้ำ ม, มาชำระที่นันน้ำมันมเหลืออยู่ในกะโหลกหน่อยหนึ่ง แล้วก็ปล่อยไว้ที่ซุ้มสาหรับถ่ายนั้นแล้วก็เดินออกมาต่อมาพระวียทรเข้าไปในซุ้มสำหรับจะถ่ายอุจาระเห็นน้ำในเข้าก็ออกมาถามแล้วทำกระถือว่าท่านผู้มีอายุท่านอะเวลาที่ชำระแล้วน้าเหลือไว้ในกัะโหลกหน่อยหนึ่งใช่ไหมท่านพระธรรมทานก็บอกว่าใช่ขอรับ ท่านมอพระท่านมีในทอนที่นี่บอกกูว่านี่ท่านไม่รู้จักอวบัตหรือไอการที่เหลือนานชําระไว้ในขันหรือว่าในกัะโหลกหน่อยหนึ่งในสถานนี่นั่งมันเป็นอวบัต <c oughs> สำหรับว่าธรรมอติก็บอกว่าผมไม่ทราบก็รับถ้ามีในทอนก็บอกกูว่านี่จงรู้ไว้นะ ว่าการทำอย่างนี้นะ่นมันเป็นอบัติ์พระตังวาตถุบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมจะขอทำคืนครับนี่หมายความว่าเมื่อรู้ตัวมีความผิดก็จะขอแสดงโทษกับตนต่อนหน้าสงฆ์สำหรับพระวินัยทอนผู้มีเลขเท่หนี่เป็นพระที่ไม่ดีนักบวชที่ไม่ดีจิงกล่าวว่าผู้มีอายุ ก็ถ้ากลูว่ากายกะทําอย่างนั้นคือที่ยงท่านน้ำทิ้งไว้ในนั่นส่วนหนึ่งคือชําระไม่หมดแล้วก็ค้างไว้ถ้าทําไปเพราะไม่มีเจตนาคือหมายความว่าในบริทว่าถ้าไม่มีสติหมายความนั่ว่าไม่มีเจตนาจะทิ้งไว้แบบนั้นเป็นการหลงลืมก็ถือว่าไม่เป็นอบัติ มีฟังถ้อยคำเขาบุคคลทั้งสองพูดกันหรือพระสององค์พูดกันในการก่อนไว้ในการฟังอย่างนี้เป็นเพื่อการศึกษาไม่เพียฟังกันเพื่อเล่นส่งเดชฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดคิดแล้วก็ปฏิบัติเรามุ่งความดีกันสำหรับพระธรรมกฤติ น, นั้นก็เท่า ท, ที่ต่อไปนยะได้เป็นผู้ อะไรบาลีทีงว่าเป็นผู้เหิงความอาบัตินั่นว่าไม่ใช่อบัตนี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยก็เป็นว่าได้ความว่าท่านพระธรรมกะถึกคือนักเทศออ์นั้นเนี่ยไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้มันเป็นอาบัตคือไม่มีความรู้ในเรื่องพระวินัยข้อยอย่างนั้นอ <c oughs> ายพระวินัยทอนได้บอกกัมมนดารกุกเสดุลุกหาก้นโตนว่าพระธรรมกะถึกลูนี แม้ตนเองต้องอับบัตแล้วก็ไม่รู้เป็นคนที่ไม่มีความรู้ในด้านพวินยัยบรรดาพวกลูกศิษย์ลูกหาเขาไม่ในทรเห็นพวกลูกศิษย์ของเขาทำางานเสร็แล้วก็กล่าวว่านี่คุณผู้ปัญญายะของคุณนึ่งโง่เง่าเาต่าตุนเป็นอับัตแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเป็นอบัตถ้าจะมานั่งสอนลูกศิษย์ลูกหา เป็นครูบายจ่ า, า, จายเขาได้ยังไงมีพวกลูกศิษย์ของพระธรรมกทติ น, นั้นเมื่อได้ฟังข่าวลูกศิษย์ของพระธรรมทรว่าแบบนั้นพระวินัยทอนว่าแบบนั้นนะจึงเขาไปหาพระริาชายาของตนเขาไปหาพระธรรมกทติ <c oughs> <c oughs> แล้วกล่าวว่าประคุณเจ้ากรับมีพวกพระวินัยทอนเขาว่ามาอย่างนี้ แล้วคุณเจ้าจะว่ายังไงเป็นวินัยทอนรูปนี้พระธรรมเทศน์ที่บอกว่านี่สําหรับพระวินัยทองค์นี้นะนะเมื่อก่อนนี้พูดกับฉันว่าการทําอย่างนั้นไม่เป็นนบัติเดี๋ยวนี้กลับมาพูดว่าทําอย่างนั้นเป็นนบัตินี่เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นพระผู้ทรงวิวนยัย เป็นอ น, นววาพระพูดทรงวินัยองค์นี้ไม่มีวินัยคือว่าไม่ได้ไปพูดในวินัยเขาพูดมมสาวาดในการพูดมูมสาวาดนี้ฉันก็รู้นะว่ามันเป็นอวบปาจิตีฉะนั้นขอพวกเธอจงจะ่าไปสนใจกับถ้อยคาของพระวินัยทรเลยฉันคิดว่าพระองค์นี้มีนามวิัยทอนคือเป็นผู้ทรงพระวินัยแต่เฉพาะชื่อเท่านั้น แต่ว่าเนื้อแท้ในการปฏิบัติไม่ได้มีการสงวินัยเพราะการโมุสาวาตมันต้องอบัตเป็นสี่ขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเมื่อวันดาล้ศิษย์ของพระธรรมราถึกได้ฟังอย่างนั้นจึงเข้าไปพูดกับลุศิษย์ของพระวินัยถอนวันนี้คุณอุเชายะของคุณน่ะพูดโ ก, กหกมดเทศมุสาวาตใช้อะไรไม่ได้ เป็นอันว่ารูปสิทธิ์แต่รูปสิทธิ์ก็เลยแตกรล้วกันหมดเกิดทะเลวิไว้กันแบ่งกันไป็สองพวกนี่การทําลายสาวความสามัคคีเพราะคลผู้ใหญ่องค์เดียวท่านเดียวสร้างความเดราะให้แก่นคนพันคนคือพระพันรูปเป็นว่าพระพันรูปฝ่ายละห้าร้อยนันตังก็แตกความสามัคคีสิ่งกอะไรกัน นี่ตัวอย่างแบบนี้ในขะอะพวกเราฟังและจงเว้นเสียอย่านําไปประพฤติปฏิบัติมันเป็นความเลวที่ไม่สมควรกับผ้ากาสาวพัดรวมความว่าเลวกว่าคารวาัตคารวัตเขาก็ออกหกมดเท็จเขาไม่ใช่ปูชนียบุคคลสำหรับพวกเราเป็นปูชนียบุคคลคือเป็นคนที่ชาวบ้านเขาเคารพ บ, บูชา ถ้าหากว่าเราไปทําอย่างนั้นเขา้าชาวบ้านเขากล่าวมุสาวาสินขาดแต่พระกล่าวมุสาวาสินไม่จะติดอยู่ได้ยังไงช่วยกันคิดไหมนะฟังแล้วก็คิดคิดแล้วก็ปฏิบัติตามอย่าปฏิบัติตามได้ความชั่วเอาเฉพาะความดีต่อมาภายหลังพระวินัยทอนได้โอกาสยิงได้ไปชุมสอง บอกว่าพระธรรมกติกเป็นพระที่ละเมิดพระวินัยไม่เคารพในพระวินัยที่องค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าส อ, สอนจัดว่าเป็นคนชั่วจึงทำโอเขวินิจกรรมคําว่าอเุเขวินิจกรรมนี่หมายความว่าขับออกจากหมู่คณะไม่ให้ร่วมกินไม่ให้ร่วมนอนไม่ให้ร่วมอบอสสุศศักระกรรม เพราะว่าโดยกากากล่าวว่าอ้างโทษว่าเป็นผู้ไม่เห็นอรรมบัตรคือไม่เครพในพระวินยัยนี่เรื่องมันเกิดขึ้นแบบนั้นมันก็ไปใหญ่จำเดิมตั้งแต่การนั้นเป็นต้นมาที่กล่าวว่านี่บุคคลที่เคารพที่เขาวํมรงทั้งสองฝ่ายเคยเคารพพระธรรมกระถึกเข็โกรธพระวินัยถอนผู้ที่เคารพพระวินัยถอนก็เกลียด ก, ก็ทํากระถึก คนแบ่งออกเป็นสองพวกที่พระแบ่งเป็นสองพวกแล้วนะนี่ชาวบ้านก็แบ่งออกเป็นสองพวกโดยสองฝ่ายด้วยกันสําหรับรานาพิษุณีที่รับโอวาทแต่ละฝ่ายก็แยกกันไป็สองพวกสําหรับอารักษ์กทวดาคือทวดาที่ทรักษาพระผู้นั้นอยู่ที่เป็นญาติบ้างพ่อบ้างแม่บ้างเพื่อนบ้าง ที่ตายเป็นเทวดายังจําได้เพราะพวกนี้เป็นพวกของเรารักษาอยู่ก็แตกออกเป็นสองพวกทิงกล่าวว่าอาการเสถวรรณได้ที่รักษาพวกท่านอยู่พวกนี้อยู่ก็แตกเป็นสองพวกนั้นบอกว่ามันแตกราวกันมากเป็นนั้นว่าการแตกราวทังเราเทวดาก็ดีผูุ้กชนก็ดีได้แตกเป็นสองฝ่ายแล้วตั้ตามบาลีทิ้งกล่าวว่านู่นไปถึงกับพรหมโลก เรื่องนี้มันก็โก ล, ลาหลไปถึงพมโลกจนถึงทีถงถง่ถึงอาคารนิตาภพเรื่องราวเป็นกันใหญ่เทวดารู้เข้ากับโจ์จันกันไปพระพรหมรู้เข้ากับโจ์จันกันไปที่โจ์ไม่ใช่อะไรโจทย์ก็เพราะว่าพระเป็นคนดีเขายอมรับทับถือว่าเป็นคนดีแต่ว่าเวลานี้พระเป็นคนเลวซะแล้ว ทำความแตกราวกันด้วยเรื่องเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับพระธรรมถึกท่านเป็นคนดีเมื่อพระวินัยทอนกล่าวว่านี่เป็นอบัตท่านก็ยอมรับว่าถ้าเป็นอบัติจริงผมไม่ใช่ผู้ทรงวินยัยเป็นนักเทศถนัดแต่ฝ่ายธรรมทรคือทรงธรรมสําหรับวินัยไม่ถนัดฉันว่าเป็นอบัติผมก็ยอมแต่ว่าพระธรรมถึกกลับหาว่าไม่เป็นอบัติ ต่อมาก็มาโจทย์ก็เป็นอันบัตินี่ก็ลงเปรียบเทียบกันดูว่าพระทั้งสองฝ่ายสององค์ในี้ใครเลวกว่าใครแต่ในเมื่อฝ่ายหนึ่งเลวเข้าแล้วอีกฝ่ายหนึ่งถูกลงโทษก็การกันแกล้งก็มีความโกรธเขาไม่ใช่พระอรหันต์ก็เลยตั้งแง่กันโกรธกันเป็นสองฝ่าย ดังนั้นตามสรมบาลีจึงกล่าวว่าพิสุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงทูลให้ทรงทราบพรุ่งอขอเล่าลัดๆสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ า, จาก็ทรงมาห้ามปรามให้พิสุทั้งสองฝ่ายนี้สามัคคีกันเป็นอนุาห้ามแล้วทั้งวาระที่สองพวกเขาก็ไม่ยอมไม่เลิกทะเลาะกัน ถึงวาระที่สามก็ไม่ยอมเลิกทะเลาะกันจึงกล่าวว่าพิสุผู้นั้นไม่เชื่อคำค่อยคำเขาโองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตามพระบาลีกล่าวว่ามีพิสุผู้เป็นธรรมวาทีคือ ม, มีปกติกล่าวทำรูปหนึ่งมีความไม่พอใจให้พระผู้มีพระภาคเจ้าลาบากหมายความว่าท่านเห็นใจพระพุทธเจ้า ว่าพระผู้ทธเจ้าเนี่ยทรงมีความลำบากมากแต่ว่าวิสุรูปนี้เนี่ยไม่ได้รวมอยู่ในวิสุที่แตกเร้ากันจึงกราบทูลใน้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระพูทมีพระภาาเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมทรงรอก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระพุทธมีพระผ้าเจ้าพระพุทธมีความปรารถนาน้อย มันประกอบในเครื่องความเป็นอยู่เป็นสุขในทิฏฐิเจ้าค่ะพวกข้าพระร อ, องค์จากปรากฏเพราะว่าทำไมอย่างนั้นนะตามบาลีฟังยากหน่อยเพราะการแตกร้่าการทะเลาะกันแย่งแย่งกันการวิวาดกันนี่ย่อมเป็นเหตุนามาซึ่งความหายนะสองเดชพระผู้มีพระพายเจ้าจึงได้ทรงเล่าซึ่งเรื่องราวความสามาคัคคีทั้งเรื่องทีขมานพ แต่ตอนนี้ผมจะขอเว้นไม่กล่าวเป็นอันว่าจะปลอบโยนยังไงก็ตามทีพวกเขาก็ไม่ยอมเมื่อไม่ยอมถึงวาระที่สามองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็โศระอามีความรังเกียจทรงดังดิว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่กับพวกนี้มีแตเหตุหน้ารังเกียจเป็นปัจจัยของความทุกข์ พี่สู้ท้หลายเหล่านี้ไม่ทำตามคําของเรานี่สำนับคนเลวมันเป็นอย่างนี้นะแม้แต่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองทรงห้ามปรามก็ไม่ยอมเชื่อฟังจิงทรงเล่ารห้ว่าถ้าอย่าง ะ, ะไรก็ดีเราจะหลีกออกจากหมู่คนนิสียไปอยู่แต่ผู้เดียวดังนั้นแล้วเ <c oughs> มื่อเสด็จไปวินาบาทืองโกสัมพี ไม่ตัดบอกพิสุดสทงทั้งหมดทรงถือบาจีวรของพระองค์สเสด็จไปภารกะโลนะการามคือวัดนะ่ะวัดวัดหนึ่งชื่อว่าภารกะโลนะไปเดียวองเดียวทรงตัดเอกจริกะวัดหมายความว่าตั้งใจว่าต่อจากนี้ไปเราจะอยู่แต่ผู้เดียว <c oughs> ไม่อยู่ร่วมกับใครเพราะว่าทรงตัดวาจานั้นแก่พระพักตุเทระองค์นี้ท่านเป็นพระรหันต์ที่พารกะโลนาการามนั้นแล้วองค์สมเด็จพระบพีแก้วทรงตัดอริสองแห่งความสามัคคีแก่คุณระบุษสามคนในนิกขายวันชี่ว่าปาจีนวังสะแล้ว หลังจากนั้นองสมเด็จพระบัทฑิตแก้วก็ทรงสมเด็จไปบ้านปาริลยกะตามพระบาลีตอนนี้พระนนทันตรัสว่าตามที่สดับมาครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอสศัยมั่นปาริลยกะก็ะเด็จจำมันษาอยู่ที่โคนต้นไม้สาระใหญ่ในราวป่าชื่อวรกิตวัน ซึ่งมีช้างมีนามว่าปานิรัยกะอุปะถาอยู่อย่างเป็นภาะสุข <c oughs> นี่เป็นอ น, นว่าพามว่าช้างนี่เขาเป็นสัตติชานันยังรู้ความดีเของสมเด็จเป็นสมมาสมุติเจ้าให้ความเคารพให้การปฏิบัติ ด, ดีทุกอย่างแต่พระพวกนั้นผมคิดว่าเลวกว่าสัตติชาันพวกนี้คือเลวกว่าสัตติชาันคือชา้าง ฉันั้นเจริยาทั้งหลายเหล่านี้ขอท่านทั้งหลายจงนึกถึงตัวเองเป็นสำคัญถ้าเราจะทำอะไรชั่วลงไปล้วก็ให้นึกถึงช้างช้างเราบรนา a กันว่าสัตสัติเดชานันั้นก็จงอย่าทำตัวให้เลวกว่าช้างคือสัตติเดชานนึกไว้สเวสมอเสมอในครับ่ายบรรดาผูาอ้อมบาศกอุบาสิกาทั้งหลาย ผู้อยู่ในเมืองโกสัมพีเวลาที่เข้าไปสูวิหารไม่เห็นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ถามว่านี่บรรดาท่านทั้งหลายสมเด็จพระจอมไตรปรมสารสันดาลทรงเสด็จไปไหนบรรดาพิสุทธ์ทั้งหลายเาหล่านั้นก็กล่าวว่าพระองค์เสด็จไปสูส่ราวามีนามว่าปานิลายกาศ็ลแล้ว มุบาสุตังหลายเ่านั้นยินถามว่าเพระเหตุใดพระองจึงไปเขารับบรณดาบิสุตังหลายเรานั้นกล่าวว่าพระองค์ทรงพยายามทําให้พวกเรามีความสามัคคีกันแต่ได้ว่าพวกเราหาได้ทําความสามัคคีซึ่งกันและกันไม่พระองค์จริงไปมุบาสุกุบาสิกาทั้งหลายเ่านั้นยด้บอกว่าท่านผู้เจริญ เมื่อท่านนั่งหลายบทในสำนักขององค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่าเจ้าแล้วถึงเมื่อพระองค์ทรงทํ า, ทาทความสามาัคคีใพืสามาัคคีกันท่านไม่ยอมสามาัคคีกันแล้วโดยไม่เชื่อฟังสมเด็จพระพุทมีพระพ่พะาเจ้าอย่างนั้นหรือว่านาวิสุทธิ์ั่นหลายเหล่านั้นก็บอกว่ามันรวมกันไม่ได้ อีฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายผิดอีฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายถูกนั่งเถียงกันอยู่แบบนั้น <c oughs> ต่างคนต่างยกเหตุผลว่าตนเป็นคนดีมรรดามนุษย์ตั้งหลายระนันจินิพาคิดกันว่าบรรดาพระพวกนี้บวดในสำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว <c oughs> ถึงแม้เมื่องสมเด็จพระบรม ธ, ธีพแก้วจะสั่งสอนให้สามมาขี่กันเตือนแล้วเตือนอีกเธอก็ไม่ยอมสามมาขี่กันก็ดีแล้วในเมื่อพวกเราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเพียงใดการที่พวกเราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเวลานี้ก็เพาอาศัยพระผู้นี้เป็นสำคัญดังนั้นพวกเราทั้งหลายจงอย่าถวายอาสนะไม่ให้ที่นั่ง ไม่ให้ข้าวกินไม่ยกมือไหวไม่ให้อะไรทั้งหมดล่อยให้หากินตามมริยาใสจะไปหากินที่ไหนได้ก็เชิญนึ่กล่าวว่านับตั้งแต่บัดนั้นไปจนมาคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ให้อะไรกินรันดามาพระพวกนั้นก็มีความลำบากจะไปไหนแม้แต่ยกมือไหวเขาก็ไม่ยกมือไหวเพราะมีความเลวของตัว มันดาพวกนั้นแต่งคนแต่งกับพร้อมสู้พร้อมซี่เติอาหารที่จะพึงได้บ้างมันก็มี <c oughs> จะลืมว่าฟ้าทั้งหมดตั้งพันอง์ก็จะมีคนบางพวกนิดหน่อยเท่านั้นที่ถือว่าชั่วช่างดีมีชั่วทั้งชีดีทั้งสงยังไ ง, ไงก็เห็นแก่พะเหลืองยังใส่บาตรให้กินอยู่บ้างแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่ให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นพระอริยเจ้าแล้วไม่ยอมให้เด็ดขาดหรือว่าท่านที่เข้าถึงสรณนาขอท่านก็ไม่ยอมให้ก็ถือว่าพวกเลวๆอย่างนี้กิงของของท่านมันเสียของเปล่าเพ <c oughs> ราะว่าไม่เคารพไม่แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อนี้ผมขอเตือนว่าเหมือนกับพวกเรานี่ถ้าเราไม่เคารพในพระธรรมวินยัย ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองสอนไว้ก็เหมือนกับเราไม่เคารพในพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ใ น, นเมื่อพวกเราไม่เคารพในว่าทําพื้ในผมก็อยากจะชาบ้านเขาไม่ให้ข้าวกินเหมือนกันนั่นแหละเพาให้กินมันก็เสียของเปล่าไม่ได้เกิดประโยชน์การเลี้ยงคนคนเร็วเชื่อเครื่องความเร็วมันก็เข้าไปติดตัวเราติดตัวเขา เป็นว่าคนนั้นมีอาหารน้อยพรอมสูบสีดกินไม่อิ่มทิ้งแค่สองสามวันเท่านั้นก็กลายเป็นคนตรงเท่าไหังไเส้นแดงโทษที่เรื่องกกนเรื่องล่วงเกินซึ่งกันอะกันเป็นว่าต่างคนต่างลุกกะโทษสิ่งอะไรกันบอกที่เรามาสามัคคีกันดีกว่านะอย่ไปโกรธไปเคืองเลยไอ้นั่นผมก็ผิดนี่ผมก็ผิดก็ว่ากันไปตามเรื่อง รวมกันสามัคคีกันต่างรูปต่างขอเข้ามาขอข อ, อภยัยสิ่งกันกันสามัคคีกันนี่มันล่าหลังไม่ใช่แล้วนี่จึงเวหาบรรดาวาสกุกบาลิกาทั้งหลายโมโยมเ่อวลนนี้พวกธารมาเนี่ยสามัคคีกันดีแล้วยอมรับผิดแล้วระวินยัยถอนก็ยอมรับผิดว่าพูดมุสาวาดสำหรับพระธรรมเทศนนั่นท่านไม่มีอะไร แล้วพ้อยอดไปด้วยถ้าสายความแตกราในีคนเลวมันสร้างคนดีมีความลำบากไปด้วยจนสาา้าทานก็นังเดีก่อนสำหรับบรรดาพร้าท่านหลายกล่าวอย่างนั้นชา บ, บ้าก็บอกว่านี่พวกท่านเมื่อพวกท่านสามารถคีกันแล้วก็ช่างคือล <c oughs> องดองกันแล้วใช่ไหมไหมก่อนเขาบอลองดองกันแล้ว มุนบาสุมุนบาธิการนั่บอกต่อไปว่าอุปกรองดองกันแล้วก็ไม่เป็นไรยังไม่ข้าวกินพวกท่านจะต้องไปขอเข้ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียก่อนจึงจะให้ข้าวกินพวกผมถ้ายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าเพียงใดท่านยังไม่ได้กินข้าวเพียงนั้นมันได้พิสุทธิ์นั่นหลายถ้ายังไงได้เวลานั้นไม่มีโอกาสจะไปขอเข้ามาเพระพุทธเจ้า พ้าพู้มีพระพเจ้าได้เพราะเวลาไปเข้าบรรษานี่อ <c oughs> มาลสุอมาลิกาจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านถ้ายังไม่ขอเข้ามาพระพุทธเจ้าก่อนในการใดในการนั้นเรายังไม่โอกาสคือยังไม่อาหารไม่ยอมให้อาหารไม่ยอมให้อาสนะไม่ยอมให้อะไรทั้งหมดแม้แต่การยกมือไหว้ก็ไม่มีสำหรับเรา บรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถจะไป ส, ส, ององส่สำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะอยู่ในภาษาต่างคนก็ต่างอดหัวโตวไปตามๆกันและวบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้มองโดยเวลาหมดคนดีต่อไม่ได้คติในวันนี้ก็มีว่าพวกเราทั้งหลายต้องสามัคคีกันอ ย, อ, อย่าถือตัวอย่าทนงตัวว่ามีความรู้ ให้รายการหนึ่งให้มีความเคารพ <c oughs> ในพระธรรมในขององค์สมเด็จพระบรมครูว่าให้ ด, ดีนีฉะนั้นโทษกล่าวคือความแตกสามัคคีจะต้องได้รับความอดอยากอย่างวิสุทธชาวโกสัมพีสาหรับเรื่องราวิสุทธิชาวโกสัมพีวันนี้หมดเวลาแล้วขอลากร อ, อความศุขสวัสิีพัฒนามงคลสมบูร ล, ล์ผล จงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี